بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على ا ل ش ر ف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين رضيت بالله رب وبإسلام دينا وبمحمد رسوله اللهم ف ق ه في الدين و علمه ت أ و ي ن س ล ا م u a l a i k u m warahmatullah w a b uh. ขอความสันติพระเมตตาความจาเริญความปรานีจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาและประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรานทุกๆ ท, ท่านนะครับการเรียนกุรานของเรานั้นไม่ได้เรียนเพียงแค่การอ่านอย่างเดียวแต่เป็นการเรียนเพื่อที่จะรู้ความหมายด้วยและก็ไม่ใช่เป็นการแปล จากสิ่งที่อ่านเพียงเดียวยังมีการอาธิบายความหมายที่อยู่ในอัลกุรอานด้วยนะครับในภาษาอาหรับเรียกว่าการตับซีรการตับซีดอัลกุรอานก็คือการอาธิบายสิ่งที่อัลลอ์สุบฮานาหัวตาลาได้บอกกับพวกเราแล้วก็ประโยชน์หลักเลยหรือประโยชน์ที่เป็นหลักเลยก็คือเพื่อเราจะได้เอาไปใช้ ถ้าอายาไหนที่พูดถึงคําสั่งใช้เราก็จะได้นําสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องอายาไหนที่เป็นคําสั่งห้ามเราจะได้ระวังไม่ให้ตัวเรานั้นไปกระทําในสิ่งที่ศาสนาต้องห้ามและอะไรที่เป็นข้อคิดข้อเตือนใจหรือการพูดถึงบทเรียนในประวัติศาสตร์คนที่หลงทางคนที่หลงผิดก็จะได้เป็นแนวปฏิบัติ ให้เห็นว่าแบบไหนจุดจบของคนที่ทรยศต่อเลาะเป็นยังไงจุดจบของคนที่ดีเป็นอย่างไรนะตรงนี้ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์จากกุรานด้วยไม่ใช่แค่อา่านและได้บุญอย่างเดียวได้ประโยชน์จากการเข้าใจและปฏิบัติด้วยเราอยู่ในยุสที่หแล้วอ่ายุสที่หแล้วนะครับ สุรอัอนนิสซเป็นสุรที่สเป็นสุรที่สี่ตามลำดับของอันกุรานที่เราเรียนกันสุโรแรกคือสุรรฟาติฮะอันนี้สั้นสุดอันนี้เริ่มต้นที่ไม่ยาวมากเจ็ดอายะสันส้นๆหลังจากนั้นก็สุโร อ, อัลบากรออันนี้ยาวๆเลยยาวที่สุดอ่า ย, ยาวที่สุด ในซูบันดาซูรอต่างๆก็คือซูรออันบกกรเราผ่านไปแล้วแล้วก็มาถึงซูรออาลออมรอนซูรอที่สามอันนี้สองร้อยอายะยาวเราก็ผ่านไปแล้วตอนนี้อยู่ในซูรออันนิซะซูรอลำดับที่สี่มาถึงอายะที่สี่สิบสาม นะอายะที่สี่สิานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่านกันวันนี้อัลฮัมดุลิลล า, าอะาเดี๋ยวเริ่มที่ฟาติฮาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอ่านนะยาัอยาลีนาอามานุลาตะกอรบุศลาณ์นะตรงนี้นะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮา น, นะครับ อ ل บูด ا ลลาห ا มินอัลชาต م นอัล ا ل จิม ن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين อัลลอฮ์มานีอัลราฮิมมัลกีย ي มิดดินอียาคานะบุดูอีนสต อِห์ดีนั้ลศิราตัลมุสตักอิมศิราตัลท้ท้ท้ท้ท้ท้ท้ทَ้้ท้ท้ท้ทََ้้้ท้ท้ท้ท้ท ر ท ا ท้ท้ท้ท้ท้ทَ้้ท้ท้ท้ทَ้ ل َ้ท้ท้ท้ท้ อัลลีนอะเมนอ้างอิงจากัลมมอมออามนออามนอนเาม ยาเอเยห์เหล ا ل َี่น ا ่นอ ب มา ا ل แลตัก ا ับศัลย์วุมสุรห تَعْلَمُ مَا تَقُولُ وَأَنْتُمْ ش ُ ك َ ر َ حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُولُ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَبِيرِ سَبِيلٍ حَتَّى ت َ غ ْ ت َ س ِ ل ُ و ن ว่าอินฺคุณตุมมารดะอَ و ْ ع ล ل َ ى ัฟร์อู๋เจ้าอัจฺฮฺอ ح ฮฺดฺมิน มิหน้าอ و ا, أ من من م ใด ทายَ ي ม م َّ م ด์อัลไกบะท ط ยมِม ب ซั ف ด์อัลไกบะฟัมสะฮุบิุจุฮิคุมว่าอิดีคุม อินนัลลอฮะแกนอัฟฟันกัฟฟรออนนั่ลลอฮะอันกฟรอ่ามาดูความหมายนะครับยาออยูฮัลลาดีนาอฺมานูโอบันดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายนะ ลาตะกรอบูตรงนี้แปลว่าอย่าได้เข้าใกล้อัปซาเลก็คือการละหมาดอ่าอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดมีเรื่องอะไรบ้างคนที่ห้ามเข้าใกล้การละหมาดหนึ่งวันตุ่มสุการรอถ้าหากว่าท่านนั้นอยู่ในสภาพหรืออยู่ในภาวะที่กําลังมึนเมากําลังมึนเมาอยู่สุการรอ หัตตะลาโมมาตะกูลูนคำสั่งห้ามนี้จะอยู่ไปจนกระทั่งตะลาโมมาตะกูลูนรู้ในสิ่งที่ตัวเองนั้นกล่าวอ่าถ้าไม่ไมีไม่มีสติไม่รู้ในสิ่งที่ตัวเองกล่าวนั้นอันนี้ยังยังละหมาดไม่ได้อ่ายังละหมาดไม่ได้ บางคนก็ถามอาจารย์นีเมาอะไรยา ก, กันยุง่งกบเนี่ยไม่ใช่นะเมาสุรานี่แหละไม่ใช่ยา ก, กันยุงบางคนไปฉีดยายุงมาหมุนเอ้ยอาจารย์เขาว่าห้ามเข้าละหมัดแต่ไม่ใช่คนละเรื่องนะอันนี้หมายถึงเมาสุราะนี่แหละครับเพราะอาย่นี้เนี่ยอยู่ในระยะการห้ามสุราในระยะที่สองระยะแรกช่วงแรกเลยก็คือการห้ามโดยการบอกถึงคุณถึงโทษ อยู่ในสุราบากกรรเราอ่านไปแล้วว่ายัสอาลูนากานิลคอมริวันไมซิดมีคนมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของสุราและการพานันจงตอบเถิดมูฮัมมัดว่าแท้จริงมันมีโทษมากกว่ามีประโยชน์โทษมันมีเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะพี่น้องเทียบกันไม่ติดเลยระหว่างโทษของมันเนี่ยแต่ถามประโยชน์พอมีไหมก็พอมีบ้างแต่น้อยมากเมื่อเทียบกับอันตรายที่มันจะเกิดขึ้น ถามว่าแต่คนมีความคิดเนี่ยแม่ฉันใช้แรงหรือเปล่ามีความคิดคนที่คิดได้เนี่ยเขาจะต้องรู้แล้วว่ามันขอไม่ดีต้องอะไรพยายามเลิกละแต่ตอนนั้นสภาพของสังคมอาหรับยาฮิลิยาเนี่ยกินเหล้าเหมือนกินน้ํากินเหล้าเหมือนกินน้ําเหมือนสมัยเหมือนสมัยสังคมเมืองไทยเราทุกวันนี้แหละคือถ้าไม่ได้กรึบเลยเนี่ยมันรู้สึกอยู่ยากนะลองคิดดูนะ ถ้าไม่ได้ห้ามเลยถามว่างานบุญเวลามากินบุญบ้านเบเนี่ยทําันถ า, ถาเป็นแขกเราจะเมากันขนาดไหนถ้ามไม่ห้ามเลยนะเพราะเรื่องมุสลิมเราก็ไม่ธรรมาดามเหมือนกันแต่นี่ห้ามไนงะก็เลยไม่มีเรื่องสุราเลยจะเห็นว่างานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะจะกินเลี้ยงขนาดไหนเครื่องดื่มบนโต๊ะไม่มีของสุราไม่มีของมึนเมานี่ผู้มุสลิมเรานะแต่อย่าไปดูแถวหลังกองฟางนะแม่นแนมนี่น แ, นนแอบเอาไว้พวกนี้พวกขามเมามันมีน่ะ ครานี้นําเรียนกับพี่น้องต่อว่าอันนี้คืออายะขั้นที่สองข้าเรียกว่าห้ามโดยควบคุมเวลาโดยการเอาเวลาละหมาดห้าเวลาเป็นหลักพูดง่ายๆว่าถ้าเมื่อใกล้จะเวลาละหมาดเนี่ยดื่มไม่ได้เพราะดื่มปั๊บพอเม า, าละหมาดไม่ได้ถ้าจะดื่มก็ต้องดื่มหลังจากที่ละหมาดและเป็นเวลายาวเช่นหลังซูโบอันนี้ฉันยกตัวอย่างนะหลังซูโบหลังอิชานึ่ง พอมันเป็นเวลายาวสางพอดีนะเดี๋ยวจะมีสำบับการประทานอัญกุรานลงตรงนี้ด้วยนะฮัตตาตาละมูจนกว่าจะรู้ว่าตัวเองนั้นได้พูดอะไรออกไปคราวนี้ตรงนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับนี่คือขั้นที่ที่สองทุกครั้งที่มีอายะ ก, กราดนี้ลงมาเนี่ยนบีจะอ่านให้ท่านอุ ม, มัดฟัง ทำไมต้องอ่านให้ท่านอุมัตฟังเพราะว่าท่านอุมัตก็เรื่องสุราก็ไม่ธรรมดาบางคนท่านอุมัตเนี่ยเรื่องขณะพูดถึงเรื่องนักเลงนะสมัยก่อนเรื่องตีลันฟันแทงเนี่ยคนนี้เลยนัมเบอรวัน <c oughs> เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องมีเรื่องเนี่ยท่านอุมัตเนี่ยนะก่อนที่จะมารับอิสลามผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะก็ไม่ธรรมดานะตบน้องสาวเลยบังหูอะใช่ไหมตอนวันแรกที่น้องสาวรับอิสลามเนี่ย ตบบังหูน้องสาวนะเลือดกบปากเลยนะแล้ววันพอมารับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทําให้อิสลามแข็งแกร่งด้วยกับการมารับอิสลามของท่านอุมัตเพราะนาบีขอดออไว้ขอไว้สองคนหนึ่งในนั้นคือท่านอุมัตแล้วอัลลอฮ์ก็เปิดใจใท่านอุมัต ร, ร, รับอิสลามนะแต่นี้ทุกครั้งที่อายะห์กูดนนี่ออมานาบีจะอ่านให้ท่านอุมัตฟังเพราะรู้ว่าท่านอุมัตเองก็ยั ง, ย, งยังตัดไม่ขาดเรื่องสุรา พอทุกครั้งที่อายะกรานนี้ลงมาเนี่ยโอมัดจะขอดูอาเนี่ยอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสิ่งที่สอนเราว่าบางทีถ้าเรายังทําบาปอยู่เนี่ยและยังหยุดไม่ได้เนี่ยอย่าได้อย่าได้อะไรนะอย่าได้ท้อแท้บางครั้งนับซูเรามันอาจจะแรงกว่าแต่ก็ขอดูอาตลอดว่าอย่าเอาล้อขอให้เขาล้อชี้ทางนำให้เราได้เถิดขอให้เราหยุดได้ด้วยเถิ ด, ด, ดคือคนอยากเลิกกับแต่มันยังหยุดไม่ได้ บางคนไปถี้ชี้หน้าด่าทำไมมึงเลิกไม่ได้กูเลิกไดก้ก็เขาเลิกไม่ได้ไอเราเลิกได้กันทำนี่แหละดิก็เขายังเลิกไม่ได้ก็ต้องขอดุ่นอาให้เขาไปใช่ไหมท่านอุมัตเนี่ยพออายะกรานลงมาขั้นแรกบอกว่าสุรามีโทษมากกว่าอัลลอฮุมะบายนอัลลอฮุมะบายนแลนาฟีคอมริบัยานันชาฟีอันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอธิบายให้เราทราบถึงเรื่องสุดาอย่างเพียงพอได้เถิด พอลงมาระยะที่สองบอกว่าห้ามกินอะไรนะ อ, อย่าเข้าใกล้ละหมาดถ้าเกิดมึงเมาอุมัทก็ขอต่ออีกอัลลอฮุมมาบัยยินละนาฟีคอมรีบายานันชาฟีอันโอ้อัลลอฮ์ขอโปรดได้โปรดปรอธิบายให้เราทราบถึงเรื่องสุราอย่างเพียงพอด้วยเถิดจนกระทั่งอัลลอฮ์เนี่ยประทานขั้นเด็ดขาดเลยห้ามเลยก็คืออย่าไอวดีนอามนูอินนะมันคมรูวันไมซิดนะ จนกระทั่งถึงบอกว่าเป็นมินอามาริชัยตอนเป็นการงานของชัยตอนฟัดจตานีบูหูหลานและกุ้มตุฟลีฮูนจนกระทั่งจบอายะนะแล้วก็ปิดท้ายฟาฮันอันตุ่มมุนตาฮูนแล้วเจ้าจะยุติไหมอัลลอฮ์ถามคนที่ดื่มโซดาอยู่เนี่ยเจ้าจะยุติไหมท่านอุมัรบอกว่าไงรู้ไหมกล่าอุมัร อินตาไฮนาอินตาไฮนาเราอยู่เราหยุดแล้วเราไม่เอาแล้วทิ้งเลยอ่าแต่ก่อนจะทิ้งเลยเนี่ยมันผ่านสดับค่อยๆลดก่อนลดก่อนอย่างบางคนเนี่ยมีในวันก่อนฉันเจอใครไม่รู้เขาคุยกันใครของเขาบอกย่อเขาเนี่ยบุรีวันละสามสองบอกไอ้นี่มันกินหรือว่ามันดูดผสมมันดูดเงี้ยวสามสองหกสิบตัวยี่มี นั่งฟังดูหกสิบตัวค่าบุหรีอย่างเดียวเนี่ปลาไปตั้งเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยรวยแนละ้วต้องรวยนะทําไมรวยนะทําซื้อไปได้บอกว่ า, วาถ้าอยากจะเลิกต้องลดก่อนหมารู้ว่าลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มหางได้แล้วผมเชื่อเลยว่าไอ้หกสิบตัววันหนึ่งเนี่ยวันละสามซองเนี่บวชยากบวชลาบากเลยแหละบางคนบวชไม่ได้เลยเพราะว่าอดบุหรีไม่ได้อดน้ํายังอดได้เพราะมันติดงอมเงมเนะี่ยเหมือนสุราเหมือนกัน คนที่สุร า, าเขาเรียกแอออะไรนะแออฮอิซมแปลว่าสุราเข้าเส้นแล้วเนี่ยต้องกึบตลอดกึบตลอดต้องกบตลอดเพราะไม่กึบ ป, ปั๊บเหมือนรู้สึกทำอะไรไม่ได้แต่อิสลามบอกว่าค่อยๆหยุดนะค่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะไม่งัง้นลงแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช็อกตายคราวนี้อีกอายาหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยสุราเนี่ยไม่มีแล้วแปลว่าห้ามเด็ดขาดแล้ว คำถามต่อมาว่าอาจารย์แล้วก็ทำเมาอย่างอื่นลวเมาน้ำท่อมเอาอีเลเมากันชาตอนนี้เริ่มใช่ไหมหรือเมาอะไรก็แล้วแต่เป็นวายบ้างเพราะวันก่อนนี่ผมจัดรายการกับทนายไม่ใช่ทนายใส่ฉนทนายคนทนายแจ๊กทนายแจ๊กโมฮัมหมัดอยู่ที่ยาติมทีวีเขาอยู่ในวงการเรียนนิติศาสตร์ เ ร, รีนิติศาสตร์นี่เรียนยากนะเพราะว่ามันต้องท่องกฎหมายมาตราต่างๆและพวกนี้เขาก็อาจจะมีตัวช่วยก็คือมีดื่มมีกลิม้มมีอะไรกันบ้างเนี่ยเขาบอกมีมุสลิมอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนเขาแปลกใจมากแกจะดื่มไวน์หรือบางทีก็เบียหนึ่งกระป๋องเวลาเครียดอ่านหนังสือเครียดดื่มเบียรให้เลือดมันสูบฉีดก็เขาก็ถามบอกว่าเฮ้ย ซื้อเบียร์กลับบ้านเวลากระป๋องกระป๋องเนี่ยแม่พ่อแม่ไม่ว่าได้เลยที่บ้านเป็นมุสลิมอ่ะเขาบอกอ๋อมะม า, มาป๋าผมเข้าใจอันนี้ตามความเห็นของผมนะความเห็นของผมความเห็นนีไยวะที่เอาล่อห้ามนะ่ยมันสุราเพราะสุราเนี่ยมันของหนักนี่มันเบียร์แล้วมันก็วายเนี่ยมันไม่ใช่ของหนักอันเนี้ยไม่อยู่ในขายหรอกไอ้ น, นี่มันวิจิไฉเอง อ๋อแสดงว่ า, ถ, าถ้าขอโทษนะถ้อหิวเหล้าขาวเข้าบ้านเนี่ยมะว่าย่อว่าแต่ถ้าเป็นเบียร์กระป๋องสองกระป๋องเนี่ยไม่เป็นไรเพราะมันเบาเขาบอกอาจารย์ว่ายไงอาจารย์ว่าไงบอกเอาเลเราก็ต้องเปิดตำราดูละอ่ะานี้ดีมากเลยเดี๋ยวผมให้ฮะดิษบท น, นึงสมัยท่านนาบีเนี่ยมีชายคนหนึ่งนะครับเดินทางมาจากเมืองไ ย, ยชานเป็นสถานที่หนึ่ง อยู่ในประเทศเยเมนตอนใต้เขาก็มาถามเขาบอกว่าโอ้ท่านรอสุรุลล์มันมีเครื่องดื่มอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องดื่มเฉพาะในกลุ่มของเขาเมืองไ ย, ยชาเนี่ยเขาชอบทำมันชื่อว่ามิ z ซมิซ์ตัวมีมตัวใจตัวรอชื่อมิซ์เหมือนคอมไหมชื่อเหมือนคอมไหมไม่เหมือนคอมนิสุราแต่คล้ายๆนมันเป็นคนละชนิดกันเป็นชนิดหนึ่ง ทำมาจากการหมักโดยใช้ขา้าวโพดอคอมเนี่ยก็ใช้ข้าวใช้นุ่นเนี่ยแต่ว่าสุดาแต่ว่าเนี่ยหมักโดยใช้ข้าวโพดนา บ, บีถามง่ายเลยอัมมุสกิรุนฮูไอมิสเนี่ยที่แกดื่มเนี่ยเมาอ่ะดื่มแล้วกึมไม่ตาแดงๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไหมนา บ, บีถามน่อําจ่ะพอดื่มแล้วก็เริ่มกึมแล้ะนะเมาครับ ก็แล้วสุลุลล้อกุลลูมุสกีรินฮารอมุนนบีพูดเลยว่าทุกสิ่งที่ทําให้มึนเมาคือสิ่งที่ฮารอมดังนั้นคุณจะไปชื่ออะไรก็แล้วแต่จะตั้งชื่อมาเป็นร้อยเป็นพันชื่อจะเป็นเบียร์เป็นไวน์เป็นอะไรก็แล้วกินแล้วเมาไหมล่ะเมาถ้ากินแล้วเมาอันนี้ไม่ได้แม้ว่ากินหยดเดียวไม่เมานะกินจํานวนหนึ่งเนี่ยมันมีออกฤทธิ์ไหมมันออกฤทธิ์กันนั่นแหละก็ถือว่าฮารอมต่อม า, าบียังพูดต่อว่า คนที่ดื่มพวกเนี้ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะได้รับประทานอะไรเขาเรียกเครื่องดื่มพิเศษมันชื่อว่าตีนัติลคอบาลตีนัตินคอบาลอันนี้เป็นเครื่องดื่มพิเศษที่อัลลอฮฺจะจัดให้สําหรับพวกที่ดื่มของมึนเมาซอ บ, บาธานี้ก็ถามเลยตีคตีไอ ต, ตีนัตุลคอบาลเนี่ยมันคืออะไรจ๊ะ นบีบอกว่าอะรกอะฮลินนารมันคือเหงื่อของชาวนารกว่อุสรอตุอะฮลินนารของปฏิกูลของชาวนารกมูลต่างๆของสิ่งสกรปรกที่อยู่ในรกน้ำเหลืองน้ำหนองจะเป็นเครื่องดื่มสําหรับคนที่ดื่มของมึนเมาในดุ n y าและอิฮัดดิสนึงบอกว่าใครก็แล้วแต่มันแชริบาคอมใครที่ดื่มสุราในดุ n y า ซุมมาลมามเยียตุบโดยที่ไม่เตาบัด ต, ตัวไม่ได้สํานึกตัวก่อนไม่ได้กลับเนื้อกับตัวมินฮาในความผิดอันนั้นฮูริมาฮาฟิลอาคิราออัลลอฮฺจะห้ามการดื่มสุราในวันในโลกหน้างงไหมอลัลลอฮฺจะห้ามดื่มสุราในโลกหน้าเพราะอย่าลืมว่าในสวรรค์มีแม่น้ําที่ทํามาจากสุราเดี๋ยวเดี๋ยวในโลกหน้าเราไปดื่มกันอ่า บีทินลาฮิตาและขออุดานะให้เราได้เข้าไปดื่มสุราในโลกหน้าแต่ใโลกนี้ยังดื่มไม่ได้เดี๋ยวได้โลกหน้าในดื่มเพราะเป็นหนึ่งในแม่น้ําที่อยู่ในสวรรค์หนึ่งในนั้นคือแม่น้ําสุราซึ่งมันไม่เหมือนกันนะบางคนบอกอ๋อมันจะอร่อยเหรออร่อยครับถ้าถ้าถ้าอยู่ในสวรรค์อร่อยแน่นอนไม่มีหรอกไม่มีเมาไม่มีขมไม่อร่อยแน่นอนเพราะของที่อยู่ในสวรรค์นั้นของดีทั้งหมดอ่าถ้าของไม่ดีจะไม่อยู่ในสวรรค์จําง่ายอ่านะแม้กระทั่งภรรยาเราเนี่ยก็อยู่ในสวรรค์ของดี เป็นของดีนะเราะจะอัปเกรดให้ในะครับอันนี้ตัวอย่างน ะ, ะสรุปก็คือว่าห้ามห้ามในขณะละหมาดคราวนี้มันมีรายงานหนึ่งอับดุลรานบินอาัลก็เชิญคนมามากินข้าวกันที่บ้านอตอนนั้นยังไม่ห้า ม, มานะปรากฏว่าแม่บางคนก็พกมาพกมาด้วยก็เลยรินเหนล่ากันกิน พอกินเสร็จปั๊บได้เวลาละหมาดพอดีเลยเมาแล้วเริ่มกึ่มๆ ก, ก็ไม่ถึงขั้นแบบราดน้ำหรอกนะยังคุยกันรู้เรื่องแต่มันเมาอ่ะมันเริ่มเมาแล้วก็เลยขึ้นไปเป็นอิหม่่มนําละหมาดอ่านกุญยาสลับกันกุญยาอายุพันแกฟิรูแลอะบูดูมาตาบูดูวนันว่ไปอ่านต่อว่าวานาหนุนาบูดูมาตาบูดูลสลับกันเละหมดเลย ไ, ไอ้คนเตือนกันรู้จะเตือนอยังไงเพราะอะไรเมาหนักกว่าอีก อีมามเนี่ยรู้ว่าเมาเบาแล้วนะคนมัมุมเนี่ยเมาหนักกว่าอีกวันนั้นก็เลยเป็นสาเหตุลงมาว่าห้ามห้ามเข้าใกล้ละมาศตอนที่มืนเมานะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องไปทะเลาะว่บเบาแวงกันเอาหัวเอากระหากันไกลอูดมาเล่นกันสาดโดนเข้าไปเล่นไปเล่นมาเมาอ่ะขาอูดไปตีไปโดนหัวหัวแตกอ่าเนี่ยตัวอย่างเยอะแยะเลยที่เป็นสาเหตุของการห้ามและก็ความเมา อีกอันหนึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องเมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องพูดจาใครที่ละหมาด ต, ตะฮัตยุดบางทีนอนไม่พอนอนแล้วมันยังไม่อิ่มนะง่วงเงียงงวงเงียอยู่มันก็คล้ายๆคนมึนเหมือนกันแหละ ม, ม, มึนพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องไปอาบน้าละหมาดกันแล้วยังหาวไม่หยุดแต่อยากจะละหมาด ต, ตะฮัตยุดเล้วเกินดูหะดิษบทนี้อีธานาซาฮาดกุมคนหนึ่งคนใดที่ง่วงนอนมากๆ ว่าห้วยอยู่ซ่ลีและก็ไปละหมาดอันนี้หมายถึงละหมาดตะฮัดยุดละหมาดกลางคืนน่ยนะอิชาไม่หามในะอิชาต้องทํามายถึงสุนัตเนี่ยฟนยานียซอริฟนะปรากฏว่านบีบอกว่าให้ให้หยุดการละหมาดซะไม่ต้องละหมาดทําอะไรอะ่ะฟาเนียนําไปนอนซะเอานบีเขาไปให้นอนมันไปนอนไปนอนฮัตแตยะละมามายากูน จนกว่าเขาจะรู้วัยสิ่งที่กล่าวมาคืออะไรนอนให้เต็มนอนให้อิ่มก่อนแล้วค่อยละหมาดนะคือพูดยังไงว่าละหมาดตอนที่มีสตินั้นอันเนี้ยถ้าเกิดมันง่วงมากๆบางคนกินยาไปฟัน ด, ดูโอเคทําเรียบร้อยแล้วแต่ต่ออิชาอาจจะต่อสุนัตหลังซะหน่อยแต่ว่ามันไม่ไหวจริงนอนเถอะเดี๋ยวนอนให้เต็มที่สักพักหนึ่งตื่นมาละหมาดตาฮัดยุทธเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือตาฮัดยุทธยังไม่อิ่มอีกนอนไปก่อนอะบางคนมีนอนบางทีนอนดึกบางคืนใช่ไหมนอนไปก่อน นอนจนกระทั่งมันพอแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอิ่มจากการนอนแล้วแล้วค่อยมามาละหมาดอันนี้พูดถึงละหมาดกิยามุลีละหมาดตาฮัดยุศนะซุ บ, บนต้องต้องละหมาดอยู่แล้วจะง่วงเหยียงขาไหนก็ต้องขึ้นมาละหมาดนะครับอ่าแล้วก็มีต่อนะอ้ายยายยังแปลไม่จบยาวบื้เลยเนี่ยพี่น้องเอาต่อมาเวลาจุนูบันอิลลาอาบีริซาบีนฮัตตาตักตาซิลูและเมื่อมีจานาบะ เจนาบ้าตรงนี้หมายถึงการมีการหลับนอนกันเานาบ้าคือการมีอสุธีเคลื่อนออกมาหรือหลับนอนกับภรรยาเรียกเจนาบ้าอันนี้ไม่รวมถึงเฮต์นะพูดถึงเจนาบ้าอย่างเดียวนอกจากแปลว่าอย่าเข้าละมาดตรงนี้ก็หมายถึงอย่าเข้าใกล้มัสยิดอย่าเข้าไปในมัสยิดและก็ห้ามละมาดด้วยคนมีญุบละมาดได้ไหมล่ะไม่ได้ต้องไปอาบน้ำก่อนนะแล้วก็บอกต่อว่า อิลาอาบิดิสซาบินฮัตตาตะักตาสรูเว้นแต่คนที่เดินผ่านเท่านั้นจนกว่าพระเจ้าจะอาบน้ำยกหดัศก่อนปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยคำว่าอิลาเนี่ยยังไม่มาอิล อ, อิลาเลยนะอิลลาอาบิริสซาบินหยุดอยู่แค่วัยลายุนูบันเฉยยุ่งเลยเพราะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านเขาเนี่ยมีทางออกทางเดียวก็คือต้องผ่านมัสยิด คือรอบเนี่ยออกไม่ได้เลยทางออกเขามีทางเดียวคือประตูบ้านเขาเนี่ยเปิดปั๊บก็เข้าร้านสุเหราเลยเข้าไปที่บริเวณสุ막ธิ์เลยปรากฏว่ามียูนุปและน้ําในบ้านไม่มีไม่มีประปาเนี่ยเขาต้องไปตักน้ำใช่ไหมออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปผ่านมาสยิดจนกระทั่งอายะนี้ลงมาว่าเดินผ่านได้เขาถึงจะออกไปได้เออนี้สลับซอฮาบานี่เขาจะหยุดอยู่การกระทําไม่ออกเลยนะจนกว่า มีคำสั่งพอมีคำสั่งว่าเดินผ่านได้ถึงจะเดินไปเอาน้ำพอไปเดินเอาน้ำมาก็มาอาบน้ำโยคะดัดททิบาต์่าแล้วก็พูดถึงคนมีประจำเดือนจากขดีษบที่หนึ่งพาอทนายอิชายเนี่ยเคยถูกใช้ให้ไปเอาเสือในสุราทนาหญิงไชายเนี่ยถูกใช้ให้ไปเอาเสือในสุราปรากฏว่านาบิท่านหญิงก็บอกว่าฉันเนี่ยมีประจำเดือนนะนบีบอกว่าแท้จริงเลือดประจำเดือนเนี่ยมันไม่ติดอยู่ที่มือเธอหรอกอันนี้าสามีภรรยา อ่าบอกว่าประจําเดือนมันอยู่ที่มือเรอกแปลว่าเดินไปแล้วไปหยิบออกมาได้มันไม่ได้เลอะอะไรเพราะประจําเดือนมันก็อยู่ในที่ของมันอยู่ในร่างกายที่ของมันปิดเทเรียบร้อยแล้วกันอ่าทําปิดเทเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้ามาสืบเดินผ่านเดินหยิบของอันนี้ไม่ต้ว่ากันนะแต่ห้ามไปนั่งไปพักอยู่ในนั้นนะครับอ่าตรงนี้ก็จบเรื่องของยูนุปอ่ายูนุปนะห้ามเข้าห้ามละหมาด แล้วก็ห้ามเรื่องของการเข้าไปในมัสยิดนะครับยดเวทแต่เดินผ่านรวมถึงคนมีประจำเดือนด้วยวะอินกุมตุ้มมารดาอัอาลลอ์บอกต่อว่าในกรณีที่ป่วยอ่าวะอินกุมตุ้มมารดาแบบหนึ่งนะป่วยตรงนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับไม่ได้บอกถึง เ, เขาเรียกอะไรมากหรือน้อย อันนี้ใช้ในเรื่องของการพิจารณาเป็นกรีนเลยถ้าการป่วยตรงนี้นะไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้นะเป็นแผลใช้น้ำไม่ได้หรือโดนน้ำไม่ได้เลยทำให้หายช้าอันนี้ก็สามารถแตย ม, มุมได้เอาไอาลาเซฟอรินอยู่ในภาวะที่เดินทางนะเอาจาอาฮะดุมมินกุ้มมีันนกออิหรือคนที่กลับมาจากการถ่ายทุกข การรวมถึงถ่ายหนักอันนี้กอลิสนถ่ายหนักแต่ก็รวมถ่ายเบาไปด้วยเพราะส่วนใหญ่คนถ่ายหนักก็จะเบาตามไปด้วยนั่นแหละนะพูดถึงฮาดัสเล็กแปลตรงนี้ก็หมายถึงฮาดัสเล็กคนมีฮาดัสเล็กเอาลามัสตุมุนนีซาอันนี้อ่านได้สองกิโลนะเอาลามัสตุมุนนีซาก็ได้หรือเอาลามัสตูมุนนีซาคนที่สัมผัสภรรยาตรงนี้หมายถึงคนที่หลับนอนกับภรรยาพูดหมายถึงฮารดัสใหญ่ ฟ้าฟลัมตาจีดูมาอันและไม่พบน้ำในการที่จะทําการน้ำอาบน้ำละหมาดหรือทําน้ำยกฮะดัสฟัดตยัมมามูท่านทั้งหลายจงทําการตะยัมมุมซะซ อ, อีดันตอยิบาโดยใช้ฝุ่นฝุ่นตรงนี้ที่เป็นฝุ่นดินตอ ย, ยิบาก็คือที่ดีตรงนี้คือไม่มีนายิสเจอปนแล้วก็ไม่สกรปรกนะครับเป็นฝุ่นที่สะอาดนะไม่สกรปรก ฟัมซาฮูบิวจูฮิกุม้มโดยการที่ท่านทั้งหลายเช็ดฝุ่นเนี่ยที่ใบหน้าของพวกท่านของพวกเจ้าทั้งหลายและก็ว่าไอดีกุม้มและก็ทีมือแค่นี้แหละขั้นตอนของตะยามุมมีแค่นี้ไม่ต้องไปเทียบกับเรื่องอ่า น, นละหมาดเพราะอ่า น, นละหมาดมีทั้งเช็ดศีรษะมีทั้งล้างเท้าตะยา ม, มุมไม่มีนะไปลูบท้าไม่มีลูบแค่มืออ่าขอโทษทีลูบแค่หน้าและก็มือและครั้งเดียวด้วยครั้งเดียวเลย ปึ๊บปึ๊บป๊บเสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงสองวินะเสร็จแล้วต่ยมมุมนะอินนัลลอฮะแกานะอาฟูวันกอฟูรอแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและทรงยกโทษเสมอนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการต่ยมมุมแล้วก็มีอีกสักนิดหนึ่งนะ จริงก็ยาบืดเล่นแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาแบบกระชับมีหะดิษบทนึงบอกว่าฟอดดินนาอัลเลนาสบิสลาสันบิสลาซินขอโทษทีปรากฏในฮะดิษมุสลิมบอกว่ามีความประเสริฐอยู่สามเรื่องที่อัลลอฮ์ให้ความประเสริฐมีอยู่สมเรื่องหนึ่งยูอีลัสซูฟูฟูนากาซูฟูฟินมาลาอิกะอันนี้เป็นความรู้นะอัลลอฮ์ให้ความพิเศษ ในการเข้าแถวละหมาดพิเศษยังไงรู้ไหมเป็นแถวเหมือนกับเราของมเลย์กาที่เข้าแถวเทียบกันเลยเราเข้าแถวละหมาดเนี่ยเหมือนมาเลย์กาเข้าแถวแอหมมาเลย์กาก็เข้าแถวเปรียบเส ม, มือนพวกเราเข้าแถวมีความประเสริฐเหมือนกันต่อมาวะจูอีแ ล, ะละนแลนะอารดูกุลลูฮามัสยิดันอัลลอฮ์ทำให้ดินทุกที่แผ่นดินทุกที่เนี่ยเป็นที่ละหมาดได้ ไม่จําเป็นต้องละหมาดบนสถานที่ที่ถูกจํากัดที่ไหนก็สามารถละหมาดได้แผ่นดินของรอละหมาดได้หมดยกเว้นสองที่หนึ่งห้องน้ําอันที่สองกูโบนั่นแหล ะ, ละที่เหลือถ้าไม่ใช่ห้องน้ำไม่ใช่กูโบะ ล, ละหมาดได้จะเป็นห้องอะไรก็แล้วแต่ห้องเก็บของบางคนบอกหรอเนี่ยทําไมเขาให้ฉันละหมาดในห้องเก็บของก็ละหมาดได้นั้นนั่นแหละแต่ถ้ามันไม่มีจริงก็ละหมาดได้อ่ามันไม่มีในยิสละกันไม่ใช่ห้องเก็บของกิ้งจบเพียบเลยนี่เรื่องหนึง่งเออ และก็อันสุดท้ายก็คือวะจุเอและตุบบาตุฮาตูฮูอัลลอฮ์ทำให้ฝุ่นดินเนี่ยสะอาดและสามารถที่จะมาทําตะยามมุมได้ตรงนี้เป็นเงือดเป็นบอกเป็นการบอกว่าคนที่ตะยามมุมแทนการอาาร่านนั่งละหมาดเนี่ยได้รับความประเสริฐนะถ้าเราป่วยอยู่แล้วเราไม่สามารถจะโดนน้ําได้แล้วเราใช้ตะยามมุมเนี่ยมันได้รับความดีงามเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเราได้ใช้ข้อผ่อนผันขอขอัลลอฮ์เป็นฮาดีย่าเหมือนกับเป็นของขวัญที่อัลลอฮ์มอบให้ นะไม่ใช่ไม่ใช่ตะแบงบางคนตะแบงไม่เอาจงเอาน้ําจนกระทั่งแผลนี่เปื่อยบางทีหมอหมอดูอะ่ะเออมันไม่ได้ติดเชื้ออีกครั้นี้รุ่งใหญ่เลยตะยามุมไปเลยถ้าดูแล้วมันเป็นอันตรายนะครับหรือกรณีที่มันเป็นอันตรายแต่แผลหายช้าก็สามารถที่ตะยามุมได้นะขอยกเว้นนะครับนี่คือความสะดวกง่ายดายของศาสนาของเราแล้วก็ สาเหตุของการประทานอายะกุรอานนี้เนี่ยพี่น้องก็เกิดจากความประเสริฐของท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเนี่ยครั้งหนึ่งทําจี้หายจี้ที่ผู้หญิงจันใช่ไหมจันหรือจี้ไม่รู้นั่นแหละเนี่ยที่อยู่ตรงนี้สมัยก่อนก็จบใส่กันนะใหญ่ๆหายหายขณะเดินทางก็ส่งคนไปตามก็ตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดไม่ได้ละหมาดก็ขอโทษจริไม่มีน้ําก็เลยไม่ได้อาบน้ําละหมาด ก็เลยละหมาดกันเลยเรื่องราวก็มาฟ้องมาถึงท่านนาบีนบีก็อยู่กับท่านหญิงไงใช่ไหมเละแต่คนที่ดุนางคือใครรู้ไหมยออบูบกักอบูบักดุลูกสาวบอกเนี่ยตอนนี้คนเขาเดือดร้อนกันหมดแล้วเนี่ยมีอยู่กลุ่มนึงไปตามหาให้ไปตามหาจี้ให้เนี่ยแล้วก็ชาละมงละหมาดกันไม่มีน้ําละหมาดเลยเนี่ยเขาละหมาดกันเลยเนี่ยเออนบีก็ยังนอนกอดอยู่งั้นเลย น, ะ <laughs> นบีว่ได้ว่าอะไรพอนานบีรู้เดี๋ยวจะมีอายะคุรานลงมาแต่แต่อบูบกักไม่รู้ก็เลยดุไปแล้ว นะเพราะตอนหลังอัลลอฮ์ก็ประทานอิยาคุรอานลงมาเรื่องตะยามมุมและสุดท้ายนะครับที่ที่หานะื้หาไม่เจอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมไม่ได้หล่นมันไปติดอยู่ใต้สายสะพายท้องอูดเราจะเจอไหมไม่เจอหรอกหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันอยู่ที่อูดติดอยู่ไอ้ตรงสายข้างล่างแต่บีก็บอกเนี่ยเนี่ยมัดของตระกูลของพวกเธอนะเวลามีเหตุการณ์อะไรอัลลอฮ์ก็จะลงอิยาคุรอานลงมานะครับอันนี้ก็ตัวอย่างอันนึงนะ นี่คือสาเหตุของการประทานเรื่องของตะยามมุมแสดงว่าน้ำละหมาดลงมาก่อนหลังจากนั้นก็ตะยามมุมตะยามมุมแทนได้ทั้งหัดัสเล็กและฮัดัสใหญ่บางคนไม่เข้าใจเอาเฉพาะเรื่องนั้นเรหมายเนี่ยฮดัสใหญ่ก็แทนได้นะครับอะเดี๋ยวเราอ่านกันต่อนะในอายะที่47นะครับอันนี้จะไม่เอาเหรอโอเค44เลยละ่ะ44 4ีอัลัมต่รออีลัเลีนอตูนัสบัมมินัลกิตาบ يشترون เย่ชั่ و ن َั่งَั่ง ا ل ต์ว่า يريد ูนั่งทัดส ل ่งส ب ิล والله أعلم ب آ, أ ع د ا ِ ك م و ك َ ف ى بالله وليا و ك َ ف ى بالله نصير مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ي ُ ح َ ر ِ ر ف الْكَلِيمَ ع َ م ือคำอธิِ ع ِ و َ ي يقولون َُ سمعنا ََِ وعصينا َ أ وسمع غير َ م س ْ م ع ٍ و, و, و, و َ ر ا ع ي ن ا ليمب ََِ ل س ِ ن ا ت ِ ه ِ م วราวนาเลยม์เบื้อสินติหิมว ا ف ต ي าน د ฟّ ي ดี ว่าเลวอันหน่าฮัมกล่าวสามีหน่าว่าตั้ง ا น่าว่าเลวอันหน่าฮัมกล ا าวสามีหน่าวลกนขยรลลม วَาเคววมาَลาคิลอาเُ ه ُมِลลาْ์บิคْุ و َ م َมวَ่เคววม لَعَنَهُمُ ا บ ل َّ ه ُ ب ِ ك ُ فلا يؤمنون إلا قليلا ตรงนี้เป็นขึ้นเรื่องใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของยาฮูดอ่ยาฮูดนะซึ่งพวกนี้เป็นพวกที่มีความรู้ตามว่าเขารู้เรื่องเกี่ยวกับอัลลอฮ์ไม่รู้เพราะอย่าลืมนี่คือพวกที่ได้รับคำพีมาก่อนนะก็คือคำพีเตอร์อดนะครับและในเตารอดก็บอกถึงการมาของนบีมุฮัมมัดสุลต์ละฮ์วะไลฮ์อัสลัมและ ในเมืองม ด, ดีนาเองที่เราเรียนกันก็คือว่าในยุคแรกของการอพยพของท่านนาบีก็มียวอยู่สามตระกูลเนี่ยอยู่ในนั้นและแต่ละตระกูลก็ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับมุสลิมนะแต่ก็ไม่ได้แสดงตนแบบชัดเจนแต่ก็คอยที่จะทำร้ายอยู่เรื่อยๆพูดง่ายๆแทงข้างหลังแทว ชอบแทงข้าหลังนะเป็นไส้ศึกแต่ว่าท่านนาบีเองก็ไม่เคยที่จะละในการที่จะทำการเผยแพร่นะถามว่าในบรรดาคนที่เป็นยยฮูดเนี่ยมีคนที่มาศรัทธารับอิสลามยอมรับในการเป็นรอซูลของท่านนาบี ม, มีไหมคำตอบก็คือมีแต่อิลลากอลีลาน้อย ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยฟังดือ้อแล้วอัลลอฮ์ก็บอกแล้วสาเหตุที่ดื้อกับนบีมอมมัดก็เพราะความอิจฉาครับความอิจฉานี่แหละเป็นหายาณะน ะ, นะทําไมไม่ยอมรับเขาละ่ะก็อิจฉามันทั้งๆ ท, ที่มันถูกกันนะแต่อิจฉาอ่าพวกยฮุดอิจฉานบีอิจฉ า, า, าพวกอาหรับเพราะเขาข น, ขนงตนว่าตัวเองนั้นเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์เลือกแล้วก็จะเรียกกลุ่มของตัวเองว่า เป็นบุตรของลอ่าเขาจะเรียกว่าเขาเด็ยเป็นลูกเป็นลูกหลานของพระเจ้าเลยนะเรียกกันแบบนั้นเลยแล้วก็มองว่าคนอื่นเป็นพวกเป็นพวกนอกรีตต่ํตาต้อยมุสลิมเนี่ยต่ําต้อยพวกเขาเนี่คือพวกที่พระเจ้ายกยอเขาแต่พวกนี้กอ่อหกนั้นแหละเดี๋ยวมาดูกันนะอารัมต้อรออีแลนและดีนาอูตูนัซีบัมมีนัลกีตะ เจ้ามิได้มองดูบรรดาผู้ใดได้รับส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ดอกหรืออยาสตารูนับดอลแลและโดยที่บวกเขากําลังซื้อความหลงผิดเอาไว้วัยยูรีดูในอันตัดิลลุสซาบิลและต้องการที่จะให้พวกเจ้าหลงทางให้พวกเจ้าหลงทางหมายถึงให้พรดาผู้ที่เป็นพี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยหลงทางพูดง่ายๆก็คือทําตาม พวกเขาตามยาฮูดนบีเนี่ยเป็นห่วงมากเลยนะคืออะไรที่มันเป็นการกระทําที่เหมือนกับยาฮูดเน่ยนบีก็บอกทาให้มันอะไรคอร์ฟให้มันตรงกันข้ามให้มันแตกต่างกันไปยาฮูดเขาบวชนบีบอกว่าพอเราบวชนะแต่ต้องกินโซฮโอพอผมนุ่นกับบวชเหมือนกันแต่พเผาไม่กินโซฮโอนบีบอกการบวชของมุสลิมให้ต่างกับยาฮูดโดยการกินอาหารโซฮโอถ้าเราบวชแล้วไม่กินโซฮโอนี่เหมือนยิวเลย เออเห็นไหมแต่บวชใช้ได้นะแต่ไปเหมือนยิวบวชอาชูรอบวชวันเดียวก็ได้แต่ถ้าดีกว่าบวชสองวันเก้าสิบเนี่ยพยายามทำให้ให้แตกต่างกันไปแต่ทุกวันนี้พี่น้องจะเห็นว่ามุสลิมเรากระแสทำตามอย่าหุห<笑><笑>นผลนะทุกเกือบเกือบการใช้ชีวิตแทบจะเป็นแบบนั้นกระแสยุโรปเข้ามาวัฒนธรรมต่างๆนะ สาเหตุอาจจะเกิดจากความไม่รู้สึกภูมิใจนะบางทีอาจจะไม่รู้สึกรู้สึกว่าการเป็นมุสลิมมันเชยก็ได้แต่ถ้าคนเราภูมิใจเนี่ยจะจะไม่อะไรนะจะไม่รู้สึกแย่เลยเออมีบางคนไม่กล้าใส่โต๊บนะมีเขาบอกใส่โต๊บเนี่ยพกเชยแหมแต่ฉันใส่โต๊บตลอดจะไม่เชยหรอกเพราะว่าสบายดีไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดเยอะมีชุดไปไหนก็ใส่โต๊บสิแหละแต่บางคนไม่กล้าใส่โต๊บรู้สึกใส่สูตรผูกไทยแล้วมันดูสากลดี ใส่โต๊บเชยบอกว้าแต่คุมหัวเชยบางคนก็นมีนะใส่พวกมุสลิมในคุมหัวเชยอะไรเงี้ยต้องแต่งโป๊ะถึงจะทันสมัยเนาะเออเอาอะไรคิดอา้าวอัลลอฮ์บอกต่อนะอลัลลอฮ์ทรงบอกให้เราทราบเกี่ยวกับย ahu ดว่าพวกเขาถูกสาปแช่งจาก อ, าอัลลอฮ์นะจนกระทั่งถึงวันกิยามะเลยนะติดต่อกันจนกระทั่งถึงวันกิยามะเนี่ยพวกย ahu ดเนี่ย พ่อพวกเขาเลือกเอาความหลงผิดแทนความถูกต้องและขัดขวางสิ่งที่อัลลอประทานลงมาให้และก็ละทิ้งมันไม่ยอมรับในบรรดานาบีและรอซูลก่อนหน้านั้นอันนี้หมายถึงตอนที่เขาเจอท่านนาบีมูซาก็มีบางส่วนก็เป็นไงต่อต้านนบุีมูซาทรยศนาบีเหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญเลยก็คือเขานั้นรู้ถึงคุณลักษณะของนบีมุฮัมมัดสลัลฮอัลฮะเวัซัลลัมแต่เขากับ บิดเบือนและพลิกลิ้นของเขาเพื่อต้องการให้มุสลิมเนี่ยหลงทางนะแต่อัลลอ์บอกว่าไงวัลลอฮุอัลลมุบิอาดาอกุมอายะที่4ี่สิบอัลล์บอกว่าและอัลลอ์นั้นทรงรู้ดียิ่งต่อบรรดาศัตรูของพวกเจ้าวกาฟาบิลและเพียงพอแล้วที่อัลลอ์นั้นกฟาตรงนี้แปลว่ารู้ไหม กาแฟยักฟรีแปลว่าเพียงพอแล้วที่เราจะมีเอาล้อเป็นผู้คุ้มครองไม่ต้องเอาสิ่งอื่นแล้วคนเดาถ้ากลัวล้อจะไม่กลัวสิ่งอื่นแต่ถ้าไม่กลัวล้อเราก็จะกลัวทุกสิ่งไปหมดกลัวจนกลัวกลัวตกงานกลัวทุกอย่างแหละแต่ไม่กลัวล้อไงเออสังเกตไหมคนกลัวล้อจะไม่กลัวอะไรเลยเอาทําไมนีิก้าลาออกอ่ะเงินเดือนตั้งสี่ห้าหมื่นทําไมกล้าลาออกอ๋อมันบาปเอาล้อ เดี๋ยวรอดูแลเองเดี๋ยวรอดูแลฝากไว้ก่อนรอนะคนที่ยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเพอยังยังไม่อิมานร้อยเปอร์ซ็นต้องบอกงี้ได้ไหมยังไม่เต็มร้ออะ่ะยังกลัวนูน่นกลัวนี่อยู่ เ, ยยเออขอมาฟังจริงนะบางคนเรียนจบมาจากเมืองนอกไม่กล้าพูดเรื่องบิดาพ่ออะไรล่ะเดี๋ยวกลัวเขาไม่ครบเดี๋ยวเขาไม่เชิญกินบุญเดี๋ยวย่อตัดออกจากมรดกเออแต่ถ้ากลัวรอดนะ ไม่สนหรอกไม่ยอมหรอกขายศาสนาไม่เอาอะของผิดบอกว่าถูกได้ไงของไม่ดีบอกว่าดีได้ไงต้องกล้าพูดนะครับนั้นก็เตือนกันนะอุตส่าห์ไปเรียนเมืองนอกมาสดิบดีกลับมาทำเหมือนเดิมหมดวิญาซสุบินละอ่ะอ่ะอัลล์ Allah รู้ว่าแผนการของศัตรูเป็นไงวะกาฟาบิลลาพอลเล ว, วัลียาให้อัลลอ์เป็นผู้ คุ้มครองเป็นผู้ปกป้องดูแลว่ากาฟาบิลลาฮีนาซีรอและให้อลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือวารียันแปลว่าผู้ปกครองเหมือนย่อเราเนี่ยเวลาเรามีปัญหาไดเราก็เบิกเงินที่ย่อใช่ไหมค่าเทอมเราต้องจ่ายไห ม, ไมต้องร้อยยอจ่ายค่าเรียนค่าสื่อยอจ่ายหมดเออยอยอยเป็นผู้ปกครองแล้วเวลามีปัญหาอะไรก็ให้อลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือซะแค่นี้แหละชีวิตเราก็จะ ไม่กลัวอะไรแล้วถ้าเราไม่มีตรงนี้เราจะกลัวไปหมดนะมีนั่น ladies นะฮาดูอยู่ฮารรีฟูนั่นหรือแกลิม่ะจากบางคนในหมู่พวกยาฮูดนั้นฮาดูตรงนี้คือยาฮูดเลยนะอลัลลอฮฺพูดถึงยาฮูดเลยเนะี่ยฮาดูก็คือยาฮูดเลยอยู่ฮร์รีฟูนั่นหรือแกลิมแกลิมแปลว่าอะไรแปลว่าบิดเบือนถ่อยคํากลิมแปลว่าคําพูดบิดเบือนคําพูด ให้หันเห อ, ออกจากมันอานินมวาวัดให่ให้หันเห อ, ออกจากเรื่องนั้นวะยากลูนะสเมียนาบอกว่าไงพวกเขาก็จะกล่าวว่าพวกยาฮูจะกล่าวว่าเซมียานาเราได้ได้ยินแล้วรู้หมดแล้วคําสั่งของลอร์เนี่ยได้ยินหมดแหละ ว, ว่าอาซอยนาและเราก็ได้ฝ่าฝืนกันแล้วไอ้นี่มันพวกไหนเนี่ยรู้แต่ไม่ทํา รู้แต่ฝ่าฝืนแอบซาเมียนาวอาอซอยนานี่คือคุณสมบัติของยหฮดนะมุสลิมห้ามมีนะรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ฉันก็ฝืนลกันแต่ฉันก็ฝ่าฝืนไปแล้วอวัสมะกอยรมุสมีเอนและเราก็ได้ฝ่าฝืนแล้วและจงฟังโดยไม่ใช่เป็นผู้ได้ยินอ่าตรงนี้เขาอธิบายว่าไงจงฟัง โดยไม่ใช่เป็นผูด้ได้ยินแปลว่าอะไรคือจงฟังตามที่เราพูดแต่ไม่ได้ยินหูหนวกนั่นเองคือฟังให้ฟังอย่างเดียวแต่เขาเวลาเขาพูดมาฟังไหมไม่ฟังแต่เวลาเราพูดเ่ให้เขาต้องฟังนะเออมันมีแบบนี้พวกพวกเราเนี่ยบางทีมันมีลักษณะแบบนี้เวลาพูดเน่แกต้องฟังฉันแต่เวลาเวลาฉันพูดมั่งไม่ฟังอนะ อย่างนี้เถียกันจบไหเป็นจบเอออย่างเป็นแบบนี้นะนีอย่าหุนไม่ใช่ไงเออคือไปพูดกับมุสลิมพูดมาเวลามุสลิมถึงเวลาฉันมากแล้ะอ้าวฉันจะพูดบางแล้ยนะไม่ฟังทําเป็นหูคนหูนหนวกฟังแหละแต่ทํานไม่ได้ยินไม่สนใจเอหัวทวนลมไอ้พวกนี้แต่ตอนเวลาตัวเองพูดไปไงต้องฟังบังบังบังครับอย่างนี้คุยไปรู้เรื่องเออแม่เมาสอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะฟังกูบัง ว่ารอเอ ينا ไลยยัมบิอันซีนาติฮิมว่าตอันฟิดดินนะครับและก็บอกต่อว่าและจงสดับรับฟังเราโดยลิ้นของโดยบิดลิ้นของพวกเขาพวยาหุนก็จะคอยมากล่อมพุชลิมให้ฟังและใส่ร้ายต่อศาสนาด้วยนะว่าตอันฟิดดินแปลว่าใส่ร้ายในเรื่องศาสนาบิดเบอือนนั่นแหละ คำว่าใส่ไรก็หมายถึงบิดเบือนศาสนาพยายามแต่งเติมศาสนาเข้าไปอ่าแล้วก็ต่อว่าเราอันนาหุมกอลูสัมเนาว่าอัตอนาและหากพวกเขากล่าวว่าเราได้ยินแล้วและเราและได้เชื่อฟังแล้วแล้วก็วัสมะวันจุรนาอ๋อเขาบอกว่าไงต่อเราได้ได้ยินแล้วลเราเชื่อฟังแล้วและ จงเจ้าจงฟังและมองดูเราเถิด mm hmm. ก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าแก่พวกเขาและทางที่ตรงกว่าคือเขาก็อาจจะมีบางพวกคือมันจะมีสองพวกไนงะยาฮุตเนี่ยหนึ่งยาฮุตที่ฟังแล้วก็ไม่ทําเลยกับฟังและทำก็มีหรือเป็นมูนาฟิกแต่พูดง่าย คือหมายถึงว่าฟังไปละหมากรนบีพอไปละหมากรนบีถอยเล่าแล้วไปละหมากรสุโบกนาบีพอหลังจากนั้นกลับไปกลุ่มชนเขาแล้วเขาก็บอกว่าโว้ยฉันไปละหมาดมาแล้วพวกนี้เละเทะโอ้โหมีทํานูน่นทํานี่ไม่เหมือนพวกเราดีกว่าเอาเรื่องไม่ดีมาบิดเบือนอีกแต่ว่าเสแยแซงว่าเป็นสเมียนาว่าเชื่อฟังเข้าไปละมงละหมาดนะนี่คือแผนการของเขาอันนี้อันนี้เนียนกว่าเหมือนเขาเลย เหมือนมุสลิมเลยแต่พอครึ่งพอตอนเช้าไปละหมาดซูโบตอนยินเข้าบทยิววิแล้วแล้วก็ไปเล่าเรื่องไม่ถูกต่างๆอันนี้คือเรื่องเรียนสองชั้นอันแรกอันแรกนี่คือไม่เอาเลยอันที่สองไปทําแต่ไม่ได้ศรัทธาจริงแล้วก็ไปสืบมาว่าเป็นยังยงี้แล้วก็บิดเบือนศาสนาแต่ทว่าเนี่ยเอ า, อาล็อเฉลยละ ว, วายละกินนะแต่ทว่า อัลลอฮ์ได้สาบแช่งพวกเขาเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธาของเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธากันนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่ก็คืออัลลอฮ์สุบานอูบานาได้เล่าถึงอะไรนะ เ, เล่กลของพวกเยโฮดนะครับมีทั้งแบบศัตรูเห็นชัดเจนเลยฟังหมดเลยแต่พอถึงเวลาฝ่าฝืนอันที่สองฟังด้วยปฏิบัติ ด, ด้วยแต่ไม่ได้ศรัทธาใช้การเสแสร้งแล้วก็ไป ทำเหมือนก็รู้ศาสนาอิสลามแล้วแต่ที่ไหนได้ไม่รู้หรอกแล้วก็เอามาบิดเบือนมาเล่าต่างๆที่ไม่ถูกต้องกับกลุ่มชนพวกเขานะครับอ่ะต่อไปสี่สิบเจ็ดแล้วก็สี่สิบดนะยาอยฮัลล yeah, uh ัลวีนอูตุลกิตตบ อัลลอฮฺข้าพเจ้าเชื่อในิามาสิี่มามาให กอนที่อนาคตไม่จะวู้จู้ฮะฟานารุดดูฮะอาลาอ ع ดบารีฮะบา อูนัลอาเนอูนัลอาเนหุมกามลาอันนาอัชฮะบัส أَمْرُ اللَّهِ م َ فعولا รักِ ي إِنَّ اللَّهَ لَا ي غ ف ِ ر ُ أيش َُ ر ا ك ب ِ و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من يشرك بالله ف ق د ِ ف ตารออิสมาออจีมะอ่ะมาดูความหมายนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงพวกยยฮูดนะที่ไม่ยอมรับปฏิเสธ ต่อท่านนาบีมุฮัมมัด ส, สุลต์ลฮวายเลยวะสลัมคำว่าปฏิเสธตรงนี้ก็หมายถึงปฏิเสธการเป็นรอซูลแล้วก็ปฏิปฏเสธกุรอานที่ประทานให้แก่ท่านนาบีแต่จะบอกว่าอ๋อฉันเชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อหรอกครับแบบนี้ได้ไม่เชื่ อ, อแบบแต่เชื่อต้อง <ت ص في ق> เชื่อแค่บางสว่วน <ت ص في ق> ไม่ได้เพราะคุณปฏิเสธนบีเนี่ยจบเลยนบีมุมัยเพราะว่าชาด้าเวลากล่าวเนี่ยนก็กล่าวชาด้าถึงสองประโยค أش ดุอัลเอีลาฮิลลอห์อาชดุอันมุฮัมมัดอัลรอซูลลอห์ จะประกาศแค่อัสดวดแลอีแลฮิลลอรแล้วก็มุฮัมมัดไว้ก่อนไม่ได้นี่คือการรับอิสลามต้องยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้าและยอมรับนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของพระองค์ด้วยนะอันนี้เป็นการเน้นย้ําไว้เลยฉะนั้นแสดงว่าไอ้ประโยคหลังนี่แหละว่าการที่ต้องปฏิญาณว่านาบีมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของพระองค์เนี่ยมันก็ทําให้เยฮูดหรือนาซาร์นี่ก็หลุดออกไปจากการเป็นเป็นมุสลิม แม้ว่าจะเชื่อพระเจ้าองค์เดียวกันอ่าแต่เมื่อคุณปฏิเสธชาดาตัวที่สองเนี่ยคําที่สองเนี่ยมันก็คือจบล ะ, ะนะคราวนี้ต่อมาเนี่ยส่วนคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยจบแล้วอยู่แล้วนี่คืออยู่ในนั้นอยู่แล้วยอาอิยูฮันละีนะอูตุลกิตาบโอ้ผู้ที่ได้รับคำภีร์ทั้งหลายอ่าก็หมายถึงนั่นแหละศา ส, สนาที่เคยถูกกล่าวไว้อ่ไม่ใช่คมภี์ที่ถูกประทานลงมา อาเมนูบิมานัซันนามุสอดดิโกลิมามาอากุมจงศรัทธาต่อสิ่งที่เรานั้นได้ให้ลงมาเพื่อยืนยันสิ่งที่มาอยู่กับพวกเจ้าเถิดนะมินกอบเบลีก่อนที่จะอันนตัตมิซาก่อนที่เราจะลบใบหน้าของพวกเขาอันนี้เป็นสำนวนนะเดี๋ยวอธิบายวูจูฮันตรงนี้ก็บใบหน้าลบใบหน้า คนเราเนี่ยจะจดจําเป็นเอกคดิกเป็นเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลเนี่ยมันคือใบหน้านะ่ะเออคงไม่ได้ดูข้อสอบกันหรอกเออใช่ไหม ด, ดูความแตกต่างของคนที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยคือใบหน้าเราจําคนได้เนี่ยจําที่ใบหน้ากันนะสังเกตไหมอ๋อนี่อาจารย์อ่าก็ดูที่ใบหน้านี่แหละถ้าหน้าไม่เหมือนกันปั๊บนี่ ถ้าหน้าหน้าเปลี่ยนไปนี่จำไม่ได้มันก็จะมีพวกทำทำศิ雅กรรมใช่ไหมจนกระทั่งหลบค ด, ดีได้เพราะหน้าไม่เหมือนแต่ครั้ น, นี้หากว่าจะพิจารณามากกว่านั้นมันก็มีเช่นดูลายนิ้วมือดูม่านตานี่ก็เป็นไปได้แต่อันนี้พูดถึงทั่วไปเนี่ยเราจะจดจํากันได้ด้วยกับใบหน้า น, นั้นเวลาประสบอุบัติเหตุหน้าเละ ข, ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องไปดูแล้วว่ามันมีอะไรบ้างมีอุดฟันไหมมีรอยนิ้วมือปเป็นยังกับไปพิสูจน์กันยิ่งอุบัติเหตุไฟคอกตายนะ อันนี้ไม่รู้เลยต้องไปตรวจเอากระดูกไปตรวจนะครับนี้อัลลอฮ์บอกว่าก่อนที่เราจะลบใบหน้าอ า, อาจจะแล้วก็มีในมุมอุลมามะก็มองว่าใบหน้าคือส่วนที่มีเกียรตินะครับเป็นส่วนที่มีเกียรติของอวัยวะต่างๆคือใบหน้านั้นต้องให้ความสําคัญกับใบใบหน้านั้นอิสลามจึงห้ามเนาะเวลามีโมโหอะไรก็แล้วแต่จะลงโทษภรรยาห้าม หน้าตบหน้านี่ไม่ได้นะแล้วก็เรื่องของของการทําร้ายใบหน้านี่ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นหลายๆอันนะอันนี้คือในอิสลามเรามีกฎมีก ฎ, กฎเกณฑ์อยู่นะครับ เ, เรื่องของการชกจ่อยชกต่อยกันห้ามอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นการอ้างมาเป็นกีฬาได้ไหมมีคนถามมั้นมุสลิมสา ม, มารถประกอบอาชีพ ต่อยมวยได้ไหมฟันตว่าออกมาทุกอันเลยว่าไม่ได้นะฮารอมต่อยมวยเป็นอาชีพนะหมายถึงว่าทําร้ายคนเนะ่ะเพราะว่าเป้าหมายของการต่อยมวยเนี่ยคือการทําให้อีกคนหนึ่งไปไงเจ็บแต่โอเคแหละไม่ถึงตายหรอกเพราะมีกรรมการอยู่แต่บางครั้งก็มีตายเหมือนกันนะบางคนมีนักมวยคนนึงถูกต่อยที่ท้ายคอยเนี่ยไม่ตายพิการเลยโดนต่อยที่เส้นประสาทมันมีเส้นอยู่ไอ้นี่เขา ต่อยไปที่ท้ายทอยดังนั้นตอนเนี้มันมีกระแสนักมวยมุสลิมเยอะแล้วก็เป็นกระแสกัะโหน้โอ้ยเนี่ยนั่นนะฮะชีพคารอมบอกให้เงินที่เอามาคาอรอมไอ่แต่ถ้าต่อยเป็นเป็นการออกกําลังกายไม่ห้ามเนี่ยเตะตะกระสอบยังได้ไม่เป็นไรหรอกเตะปักปั ก, ป ก, ปกเนี่ยต่อยอยู่บ้านไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อใดเป็นป้องกันตัวได้แต่เมื่อใดทีด่ขึ้นเวทีแล้วไปทํำร้ายนะ คู่ต่อสู้เนี่ยฮารอแม้ว่าจะยอมรับก็ตามเพราะว่าอิสลามบอกว่าต่อให้ถือมีดกันคนละอันบอกเฮ้ยกูไม่เอาได้เรื่องมึงแทงกูได้ไหมถูงผมถือมีดเออกีถือมีดแทงผมเลยผมไม่เอาเรื่องกีหรอกไปอ้างตำรวจเขาเขาาอนุญาตให้ฉันแทงจ่ะตำรวจเขาก็จับอยู่ดีแหละว่าถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายเห็นไหอแต่แต่ว่ากีฬาบางอย่างมันก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันก็มีความโหดร้ายอยู่ อันนี้ก็นำเรียนเป็ น, เ, ปนเบื้องต้นว่าถ้าเกิดมีไอดอลใครมีไอดอลบอกว่าเดี๋ยวจะให้ลูกเป็นนักมวยนะ เ, เปลี่ยนใหม่นะย่ออย่าภูมิใจกับอาชีพนี้ไม่ได้ฮารอมุนนะบาปนะแต่ว่ายังว่าเลยดูก็คนละเรื่องกันคนดูก็ชอบมนุษย์เราชอบดูเหมือนทรมานสัตว์ก็ไม่ได้เนาะเอาวัวไปชนกันเอาไก่ไปตีกันนี่ก็ห้ามนี่คนเนี่ยหนักกว่านั้นอีกแล้วเวลาต่อย ก, กันมันเกิดบาดแผลที่ใบหน้า หัวแตกอะไรบ้างขิ้วปูดมัางอะไรว่าไปอันนี้เราจะลบใบหน้าของพวกเขาและให้มันกลับไปอยู่ข้างหลังของมันเอาหน้าไปอยู่ข้างหลังลบใบหน้าข้างหน้าแล้วเอาหน้าไปอยู่ข้างหลังแล้วเวลาเดินเดินยังไงอะงงมก็ไม่ใช่ต้องก็มีเดินถอยหลังก็เดินข้างหน้าแต่ว่าเดินแบบหลงทางกันแหละ ลองคิดดูนะ ต, ตาอยู่ข้างหลังนี้ยุ่งกันนะโอ้โหเดินยังไงวะเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นการที่บายบอกว่าอขออธิบายอย่างนี้นะนัตโตมิซาแปลว่าเราจะลบใบหน้าหมายถึงทําให้ตาบอดและให้มันกลับไปอยู่ข้างหลังแปลว่าจะให้พวกเขาเนี่ยอยู่ทางหลังคือใบหน้าอยู่ข้างหลังแปลว่าทําให้เขานั้นมืดบอดนะมืดบอดจากข้างหน้ามองแต่ข้างหลังอย่างเดียว แต่ข้างหน้ามองไม่เห็นอน า, าคตเลยแล้วคนเราเนี่ยมันต้องไปข้างหน้านะมาอยู่ถอยหลังนะครับแต่ว่ามุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์ให้มองไปข้างหน้าเพราะเรามองไปโลกหน้าด้วยอ่าไม่ใช่แค่มองโลกนี่เรามองไปโลกหน้านะมีอนาคตเอาพูดง่ายๆมีอนาคตเป็นสํานวนนะครับเอานั่นอาณาฮุมกมาล拉อันนาและอัลลอฮ์ก็จะสาบแช่ง อ่าหรือไม่ก็จะสาบแช่งเขาเช่นเดียวกับที่เคยสาบแช่งพวกที่ละเมิดอัสซาบุซับจําได้ไหมเขาเรียพวกละเมิดวันเสาร์ชาววันเสาร์เราเรียนไปแล้วคื อ, อคือ ah เยฮูเดนถูกห้ามจับปลาวันเสาร์แต่วันเสาร์เนี่ยเขาไม่เขาเขาไม่จับหรอกแต่เขาไปดักไว้ก่อน ไปไล่ให้มันอยู่ในอวนให้หมดดักไว้ก่อนแล้วค่อยจับวันอาทิตย์แต่วันเสาร์ไม่จับแต่ดักเอาไว้นั่นแหละคดีวพวกคดีวพวกมีเลก่กเอาละเลขเหลี่ยมก็ล่ะเหมือนจะเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกพี่นอกมันผิดคุณไม่จับก็จริงแต่คุณดักไว้หมดลแล้วแล้ววันถึงวันอาทิตย์ปั๊บค่อยจับคุณหลุมดักเอาไว้แล้วพวกนี้อัลลอสาปให้เป็นลิงแล้วก็ตายไปนะ เป็นลิงกลุ่มนั้นนะกลายเป็นลิงแล้วก็อยู่กี่วันไม่รู้ประมาณสัปดาห์แล้วก็ตายไม่ใช่ลิ ง, งทุกวันนี้นะผมบางคนบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ผละเรื่องตายหมดแล้วอ่าแล้วก็วกานะอัมรุณลอฮิมะฟูละคำสั่งของลั้นย่อมถูกปฏิบัติตามเสมอจำไว้เลยคำสั่งของลอ้นย่อมถูกปฏิบัติเสมอไม่มีการยกเว้นในกรณีที่ไม่ได้มีเหตุมีอะไรคราวนี้ กาบมีเรื่องราวอันหนึ่งครับกาบบินอัลอาบารเข้ารับอิสลามอันนี้ถูกกล่าวไว้กาบชื่อกาบนะอัลอาบารเข้ารับอิสลามเมื่อได้ยินอายะนี้เขาเป็นยาฮูนี่นแหละแล้วเขาก็เดินทางไปที่ไบตุนมักดิสไบตุนมักดิสก็อยู่ที่เยรูซาเล็มนะและเดินทางผ่านเมืองมาดีนะ เข้ามาเมืองมาดีนหากนบ้านเขาอยู่ที่เยเมนนุ่นนะบ้านอยู่เยเมนก็เดินทางเข้ า, าเมืองมืองมาดินาพักก่อนปรากฏว่าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องคัมภีร์ก็รู้เรื่องคัมภีร์และท่านอุมัตบินคอตตอประเดียวรอฮวงอันทูในขณะนั้นเป็นเจ้าเมืองอยู่อันนี้เหตุการณ์ขึ้นอยู่ในสมัยอุมัตนุ่นก็เลยเรียกกราบมาก็คุยกันน่นแหละมาจากไหนเป็นยังไงแล้วก็รู้จัก รู้จากกันก็เลยบอกว่าทําไมไม่รับอิสลามล่ะเออทำไม la? ออำไม่รับอิสลามท่านอุมัตอ่านอญญายะนี้ให ah ้ฟังบอกว่ามัสลุลลลดีนะฮุมมีลุตเตารอดซุมมาลามยัชมิลูฮากามาสลิลไฮมารียะมีลูอัลฟารอคุณไหมสุรัจุมาอุปมาดังพูดที่ได้รับคัมภีรเตารอดเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามมันเหมือนกับลาที่แบกหนังสือ อ่าหรับเนี่ยอย่าอย่าไปด่าเอาเป็นลานะมันโกรธตายเลยโอ้ยหน้าแดงเลยนะถ้าด่าเป็นลาอะไรนะเพราะเนี่ยในกุตอา่านก็บอกไว้ลาแบ่งหนังสือหนักอย่างเดียวไม่รู้ถึงคุณค่าว่ากล่าวอะไรบ้างแต่หนักอย่างเดียวลาเขาลางโง่ใช่ไหมเรียกลางโง่แต่ของเราลาด่าเป็นลาไม่รู้สึกอะไรหรอกเฉยแต่ถ้าด่าเป็นควายเลยก็หมไม่ได้เลยแหละมโหโมโหตายถ้าเราไปดา่อาอราบว่าเป็นควายมันบอก ซอบัตอันน่ะซอบัตมาใช่หรอดีจริ้งชมโมโหงไงเราไม่ลืม ม, มันด่ามันควานบอกโอ้ชอบคนคุ้มมากเลยว่าเราเป็นคนอดทนแต่ห้ามว่าเวลานะก็คนเราเนี่เหมือนกันของเราเนี่ยมองมองมองควายว่าเป็นคนที่โง่เขาอารับมองลาว่าเป็นโง่อหมแล้วก็ลาอีกความหมายนึงก็คือเสียงครับเสียงเมันลาก็เสียงน้าเสียงโหยหวนเสียงไม่ดีเสียงน่าเกลียด ในกุฎอานก็เล่าเหมือนกันอย่าเสียงเหมือนลาคราวนี้พออายะกุฎอ่านเมื่อกี้ที่ลงมาเนี่ยว่าอัลลอฮ์จะลบใบหน้าแล้วก็ทําให้หน้าอยู่ข้างหลังแล้วก็อัลลอฮ์จะสาบแช่งเหมือนกับคนที่เป็นอยู่ในวันเสาร์พวกชาววันเสาร์รับอิสลามเลยคราวนี้ไปถึงใบตุนมักดิสไหมไม่ถึงแล้วสิมาอยู่เมืองมาดินนะรับอิสลามแล้วก็อะไรนะมาศึกษาจนกระทั่งเดินทางกลับไปที่เมืองเยเมน พอกลับไปที่เมืองเยเมนเขาก็กลายเป็นคนที่นําอิสลามไปสู่ครอบครัวเขาไปเผยแพร่ในเยเมนจนกระทั่งคนในเยเมนในตําบลของเขาเนี่ยกลายเป็นมุสลิมหมดเลยจากที่เป็นยาหูนนี่คือความดีความชอบของท่านอุมัดบินคอตตอมนะกวาดมือเรียกก่อนไม่ใช่ปล่อยไปคือบางครั้งก็ต้องนําเสนออิสลามบ้างนะคบกันมามีเพื่อนคบกันมาเป็นสิปีไม่เคยพูดเรื่องอิสลามมันก็ฟังเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ชอบเราบางคนมีนะ คุยเรื อ, อิสลามเดี๋ยวเขาเกเลียดเราบอกมันก็ได้แต่วิธียังไงะที่จะแนะนำให้เขารู้จักต้องแบบแยบยนต์หน่อยเออแยบยนต์หน่อยนะคราวนี้จบจากอายน่นี้ว่าการนัลล่งรออัมรุอัมรุลลอฮิมัฟูละคำสั่งของอลอนั้นเป็นไงต้องปฏิบัติเสมอต้องถูกปฏิบัติเสมอยันกิยามัดนั่นแหละอายาต่อมาอายะที่4ี่เนี่ยเป็นกอีดาใหญ่เป็น กฎเกณฑ์ใหญ่ในการพิจารณาของอัลลอ์สุบฮานาหัวตาละจะบอกว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาถูกครับผู้ถูกแต่อัลลอฮ์นั้นได้สัญญาไว้แล้วว่าคนที่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์อินนัลลอฮายฮฟิรุอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่อภัยโทษสำหรับคนที่ทำให้มีขึ้นหมายถึงให้มีภาคีขึ้นแก่พระองค์ วลียงฟิรุมาดูนาดาลิกาลีมายาชะแต่สําหรับบาปอื่นๆแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระองค์ลีมยชาชะแปลว่าขึ้นอยู่กับประสงค์ของพระองค์พระองค์จะอภัยกระโทษก็ได้หรือไม่ให้อภัยก็ได้แต่ถ้ามีเรื่องชีริกนั้นตัดสินไปเลยว่าไม่ได้แน่นอนเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วอายะกุรอานนี้แหละครับทําให้ ซอบาหนึ่งท่านที่ชื่อว่ า, าผมดูก่อนนะอบูซาลินอบูซารินอันกีฟารีเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้มงวดในเรื่องศาสนามากอย่าว่าแต่บาปใหญ่เลยบาปเล็กท่านเห็นก็ท่านก็ท่านก็ต้องจัดการนะนะไอ้แล้วยิ่งบาปใหญ่เนี่ท่านก็แบบต่อต้านเต็มที่เลยคือเป็นคนที่จริงจังกับศาสนา อ่าไม่ปล่อยปะแล้วเลยอบูซาลิ น, น, นขั้นท่านเคร่งเคร่งคัดมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่สมถะอบูซาลินเนี่ยบ้านไม่มีอะไรเลยอะ่ะบ้านห้องเปล่าเปลอะ่ะเขาถามเครื่องใช้ไปเครื่องใช้ไม้สอยอยู่ไหนหมดเขาบอกอ๋อไปฝากไว้โลกหน้าหมดแล้วไปอยู่อีบ้านนึ่งไปอยู่อีกหลังหนึ่งนะคือท่านสมถะนะอยู่แบบเหมือนเป็นคนเดินทางค น, ค, นคนผ่านทางอะนะเหมือนคนเดินทางไม่ของของไปเยอะไม่เก็บสะสมของพวกไม่เก็บสะสมของ เราต้องเก็บกับสงเดทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ล ง, อ, งลอืมแต่มองอีมุมหนึ่งก็คืออันนี้เป็นโรคอย่างหนึ่งนะถ้าใครเป็นนะเพราะว่ามีมีป้าท่านหนึงนะ่งเนี่ยเก็บจนกระทั่งเป็นขยะนะเป็นออกคอกเป็นความเนะี่ยมันเป็นโรคนะคือทิ้งไม่ลงอะไรก็เสียดายไปหมดเออเสียดายไปหมดนี่กัเก็บเยอะเก็บเก็บใช่ไหมใช่ไหมเป็นขยะอ่ะเหมือนของกินเหมือนฉันอนะ่ะฉันเก็บหมดอนะ่ะสุดท้ายทิ้งอยู่ดีแหละคือทิ้งมามันเสีย แต่ถ้าไม่เสียก็เก็บไว้งั้นแหละเอามากินไหมมีอยู่ค้างหนึ่งนมลูกกินเสร็จนะนะจอดแล้วไงก็ใส่ตัวเย็นอันนี้มันใสไว้ประมาณสองวันมันเป็นปีแล้วมึงผมก็จะสดเลยโอ้ยวันนี้หิวนมเว้ยบูดมันเสียแล้วถ้าเจอะมันเสียต่อย ใ, ใส่ตัวเย็นก็เสียแต่ว่าถ้าเป็นวันสองวันคงไม่เสียมั้งแต่ น, นี้เก็บไปเป็นเดือนน่ะฉันบอกเก็บทิ้งให้หมดเอามาทิ้งหมดเลยบอ ก, กินไม่ได้เลยเอ๋อจะเก็บไว้ทําไมเปือง อะไรเสียก็ทิ้งไปบ้างนะอ่าบูซาดินก็เก็บไว้โลกหน่ไอ้โลกนี้เขาอยู่พอดีพอดีปรากฏว่าเขามาถามนาบีบูซาดินเนี่ยเล่าตอม้มินอับดินไม่ว่าบ่าวคนใดอันนี้นบีบอกนะฉันได้มาหาท่านรอซุนแล้วท่านก็ได้กล่าวว่าไม่ว่าบ่าวคนใดก็แล้วแต่กอล่ากล่าวว่าเลออิเลฮ์อิลลอหไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุมมามาต้าหลังจากนั้นก็ตาย พูด ง, ง่ายๆว่าตายบนการมีแลอีลาลละิลอละเตาฮิดนะเขาอะไรแล้วคือไม่มีพระเจ้าในนอกจากอัลลอฮ์ไม่เชื่อว่ามีอำนาจใดอำนาจหนึ่งมาเทียบเทียงกับอัลลอฮ์และอีลาะอิลอละปฏิเสธทั้งหมดเลยพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดเว้นแต่อัลลอฮ์พระองค์เดียวแล้วก็ตายอาลเดลิกะ ตายในสภาพนั้นอินลาดาคอเลนเยนนะเขาจะได้เข้าสวรรค์เลยเขาจะได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่แว่าเลยเขาจะได้เข้าสวรรค์ฉันก็คืออบูซาดินถามว่าวอินซาเนวอินซาร์ก็ท่านนับีครับคนที่กล่าวลาอิลาฮิละล็อกก็จริงนะแต่เขามีจีนาอยู่ละ่ะเขา ไปมีอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่งมาแต่งงานกันนะแต่อยู่ด้วยกันสรนสามีภรรยามาริเนกาแต่ยังเป็นมุสลิมนะเพราะว่าเขามีเลอีไลน์ตลอดไอ้แบบนี้จะเข้าสวรรค์เหรอว่าอินซารก์ก็แม้ว่าคนคนนี้จะเป็นหัวขโมยเลยแต่พอถามเขาเป็นมุสลิมเขเปนเขาเชื่อยอย่างอืน่นไม่เชื่ออัลลอฮ์อง์เดียวนะนบีบอกว่าใช่เข้าสวรรค์แม้ว่าเขาจะจีนาหรือเขาจะจะอะไรนะจะขโมยก็ตาม ตอบูซาตินก็เน้นย้ำปรนบีครับแม้ว่าเขาจะจีนาหรือหรือขโมยก็าตามพูดถึงสามครั้งนบียังตอบเหมือนเดิมว่าเข้าวสวรรค์ข้าวสวรรค์ข้าวสวรวสวรค์ซุมมากละฟีรอเบียจนกระทั่งถึงครั้งที่สี่อาลารอกมีอันปรากฏว่าหลังจากนั้ น, นท่านก็ได้กล่าวว่าอบูซาตินนี้ช่าง ช่างต่ําต้อยจริงๆอบูซาดินนี้ช่านต่ําต้อยจริงๆเขาก็คื อ, อบูซาดินเนี่ยก็ออกไปในสภาพที่ลากผ่าห่มไปเลยนะคือเหมือนกับว่าไม่พอใจกับคำพูดคําว่าไม่พอใจพูดใจไหมคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วกันไม่เข้าใจว่าทําไมอ่ะคนเข้าคนขโมยถึงเข้าสวรรค์คนที่ทําซีนาเข้าสวรรค์มันต้องคนละมาดดิมันต้องคนทําความดีถึงจะเข้าสวรรค์นี่ขโมยและตาย อะไรนะเออจีนาแล้วตายแต่ด้วยความที่เชื่อในคำพูดนบีรู้ไหมว่าอบูซาลินเนี่ยกลับมารายงานทาริษบท น, นี้เออแปลกไหมล่ะแม้ว่าจะจะไม่เข้าใจกับประโยค์อันนี้ว่าทําไมนบีถึงบอกว่าคนพวกนี้เข้าสวรรค์แต่ไม่เคยที่จะละเลยหน้าที่ในการที่จะรายงานทาริษบท น, นี้นี่คือซอ่บ้านนาบีนะสรุปตรงนี้ก็หมายความว่าอายะคุดานทีิมักี้บอกแหละ ว, ว่าอัลลอฮ์อภัยได้ไง จีนาก็อัลลอฮ์อภัยได้เราจะตัดสินแทนอัลลอฮ์เหรอก็ในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าการอภัยอยู่ที่พระองค์พระองค์จะให้อภัยก็ได้หรือพระองค์จะลงโทษก็ได้แต่แน่นอนว่ามันไม่เท่ากันหรอกระหว่างคนดีคนไม่ดีคนจีนากับคนละหมาดคนทําความดีไม่เท่ากันหรอกอลัลลอฮ์ทรงยุติธรรมแต่ถ้าหากพระองค์ให้อภัยก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์ได้ดังนั้นต่อให้จีนาแล้วโดนยิงตายกินเหล้าตกน้ําตาย หน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมก็ต้องเอามาละหมาดเอามาฝังในกุโบมุสลิมจะไปต่อต้านไม่ได้ว่าเฮ้ยห้ามไอคนนี้มาละหมาดนะเพราะว่าอะไรมันเมาตายมันติดยาตายมันเล่นเข็มตายมันยิงตัวตายห้ามอิหมั่นํามาละหมาดทําไมละหมาดก็บาปกันทั้งวงเกมเลยเดเพราะถือว่ายังเป็นมุสลิมอยู่ยกเว้นว่าก่อนจะตายมันบอกเลยว่ามันออกจากอิสลามแล้วหรือมันแขวนอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการทําชิริกต่อร่อมีหลักฐานชัดเจนไออย่างนี้แหละ ไอ้อยางงี้ต้องต้องบอกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าหลุดจากการเป็นมุสลิมแล้วแต่ถ้ายังเป็นมุสลิมอยู่นะแต่ว่าทําบาปใหญ่ก็ถือว่ายังได้เข้าสวรรค์แต่อาจจะต้องไปผ่านนระกก่อนเนี่ยที่บอกแอัลลอฮ์ก็อภัยให้นะครับครนี้ฮะดิษบทนึงเนี่ยมันเน้นย้าเป็นฮะดิษกุฎซีนะอินนัลลอฮัยะกูลแท้จริงอัลลอฮ์ได้ตัดว่าโอ้บาวของข้าตราบใดที่เจ้าเคารพพักดีต่อข้าและความมีความหวังต่อข้า ว่รอว่รอเจ้าตันีฟาอินนักรฟิร์ค่าจะอภัยให้เจ้าแม้ว่าเจ้าเนี่ยว่อินนี่ยวากนัฟีกายากปฏิอินนลักลักีตันีบิกรอบิลอาร์คตีอ่ะ แม้ว่าเจ้าจะทำบาปมาจนเต็มหน้าแผ่นดินแล้วกลับมาหาข้าไปว่าตายแล้วแนะ่ไอ้ข้ามันกลับมาหาข้านี่ตายไปบนสภาพที่บาปเต็มหน้าแผ่นดินเลยแต่เงื่อนไขกมาลัมยุชติกบีแต่ต้องไม่ตั้งภาคีต่อข้าแน่นอนข้าจะอาภัยโทษเต็มแผ่นดินบิกรอบิฮามากฟิรอฉันจะอาภัยโทษพระองค์จะอาภัยโทษเต็มหน้าแผ่นดินนั่นแหละอ่า ออแต่อย่าทำนะแปลแบบนี้โอ้โหอาจารย์สบายเลีเอวเราก็บาปให้อร่อยแล้วไม่ได้ไม่ได้อันนี้ในมุมของการให้กําลังใจให้กําลังใจบางคนนะ่ยมีลูกหอมกราจริงๆนะมีลูกแต่ลูกมันเกเรอะเล่นยาจนตายอย่างเงี้ยโอ้โหร้องไห้สองวันเจ็ดวันก็เอาข้อดีบทนี้ไปปลอบใจนิด น, นึงว่ะเขาก็ยังเป็นมุสลิมเราก็ยังดุอาให้ได้ทําัวกับไปสิส่งไปเรื่อย เออทำมวกับส่งใบทำบุญไปเรื่อยๆเวลาบริจาคกระเหน็ดให้ลูกไปแม้ว่าลูกเราจะตายในสภาพที่เป็นคนฟาสิกแต่เขายังเป็นมุสลิมนี่คือข้อดีที่อัลลอฮ์ให้กำลังใจให้โอกาสยังเข้าสวรรค์ออยชิชตดทิ้งเลยแต่ตรงกันข้ามกับลูกที่ออกจากศาสนานั่นแหละช้ำใจยิ่งกว่าเพราะว่านั้นคือจบแล้วนะครับแล้วก็มี มีหลายๆคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่มาปรึกษากับฉันว่าเนี่ยลูกลูกออกจากศาสนาคือเวลาเห็นเขาพูดเนี่ยฉันรู้สึกสงสารมากเลยนะแต่ก็ต้องบอกกับนี้ทุกอย่างมันมีมันมีเหตุมันมีมันมีเหตุของมันทุกอย่างมันมีเหตุของมันแปลว่าก่อนที่มันจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนี่ลองกลับไปดูซิว่าเหตุของมันคืออะไรอาฉันถามข้อเดียวเลยว่าตอนที่ลูกนี้ได้เรียนศาสนาไหมล่ะ ออไม่ได้เรียนเลยครับเรียนแค่ก็ <c oughs> ไม่ได้เรียนเลยแล้วแล้วนี้ทาอะไรอยู่ตอนนั้นทําอะไรอยู่ทํางานจ้ะเดี๋ยวจบแค่นี้แหละนะจบแค่นี้แหละเดี๋ยวจบละเดี๋วเล่านิดนึงนี่ทํางานจ้ะอ่าพอนี้ทํางานเสร็จก็ทํางานอย่างเดียวไม่ได้สอนลูกอิสลามเลยลูกก็ไปเรียนสา ม, มัญอย่างเดียวแล้ววันหนึ่งนี้ตาบัตรตัวอัลฮัมดุลิลลาฮ์เป็นความดีของ ของฮัจยาพับตาบัตตัวเรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าลูกมันจะตาบัตไหมล่ะมันก็ไม่ตาบัตแล้วสิเพราะมันหลุดไปแล้วคราวนี้เราก็เพิ่งมารู้ตอนนี้แหละแต่ถามว่าสายไม่มันก็ยังไม่สายก็ต้องพยายามกันต่อไปแต่ถามว่าเขาเลือกแล้วว่าที่เขาจะจะไม่เป็นมุสลิมเนี่ยในฐานะคนเป็นพอ่อเป็นแม่เนี่ยจะบังคับลูกยังไงถ้าบังคับให้ลูกกล่าวชาห์ดถามว่าการกล่าวชาห์าซ้อมไหมนี้ใช้ได้ปะ ถ้าบังคับให้คนกล่าวชาด้าเนี่ยใช้ได้ปะใช้ไม่ได้นะถูกบังคับใช้ไม่ได้ไปเอาไม้นะ่ะสามมามึงไม่กล่าวชาด้าเป็นลูกจะตีตีให้ตายเลยแล้วถ้ากล่าวชาด้ามานับไหมเนี่ยก็ไม่นับโดนบังคับไม่นับนะดังนั้นโดนด้วยใจก็ต้องสอนกันไปซึมซับกันไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ตัดหางทิ้งเลยบางคนเป็นพ่อเป็นแม่ตัดทิ้งเลยไม่สอนเลยฉันก็บอกพามาเถอะเผื่อจะซึมซับ เผื่อฮัตยาตายไปแล้วเขาอาจจะตอบัทหลังจากนั้นก็ได้ใครจะไม่รู้อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของลอนะครับอ่าอัลลอฮ์บอกต่อนะว่าไม่ยุชริกบิลลาฮิฟะกอดกอดิฟตารออิสมันอาลีมาและแน่นอนอ่าและผู้ใดที่ตั้งบาคีขึ้นแก่อลลอฮ์แล้วแน่นอนเขาได้อุปโลกบาปกรรมอันใหญ่หลวงขึ้นเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จบจากอายะห์ที่ี่ดนะพี่น้องนะ ข้าพสุบ habhanakallah ข้ามิการชื่อเล่าอิเลหิเลตัสตักฟิลูกาวอัสสลามุอะลัยกุมะรา์มตุ ullah วาบารากะตุ